ความคิดคนเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดการฝึกสังเกตเห็นความม่เที่ยงคือทางพ้นทุกข์สำหรับทุกคนโลกหล่อหลอมความคิดคนความคิดคนเปลี่ยนโลกไปเรื่อยๆทุกคนเกิดมาเพื่อเปลี่ยนโลกนี้คนลนิคน ล, นคนลหน่อยสำคัญคือคนส่วนใหญ่ถูกโลกเปลี่ยนไปในทางเลวลงกันอย่างน่าสลดใจ ความคิดเป็นสิ่งที่แพร่ได้ไม่ว่าเชื้อสว่างหรือเชื้อมืดการตัดสินใจเลือกเชื้อสว่างหรือเชื้อมืดคือกรรมของแต่ละคนความคิดเป็นสิ่งถูกรู้ได้ว่าไม่เที่ยงเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดไม่มีตัวตนแน่นอนการฝึกสังเกตเห็นความไม่เที่ยงคือทางพ้นทุกข์สําหรับทุกคน ว่างๆและไม่เอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาคิดให้เป็นเรื่องแสดงว่าคุณเจริญสติมาไกลเกินเครื่องทางแล้วการเจริญสติถูกทางพุทธสติต้องเจริญขึ้นเรื่อยๆกระทั่งรู้เห็นจระจะได้เป็นปกติว่ากายใจนี้ไม่เทียงกายใจนี้ไม่ใช่ตัวตนหมายความว่าถึงจุดหนึ่ง คุณจะรู้สึกราวกับเข้ามาอยู่ในร่างเปล่าที่แปลกปลอมหรือเหมือนวิญญาณที่ว่างจะใบหน้าไม่จําว่ากายนี้ใจนี้เป็นของใครได้แต่เห็นเป็นของหลอกสุขทุกข์และความนึกคิดเหมือนเปลวพยับแดดที่เปลี่ยนรูปไปเรื่อยสติตั้งมั่นอยู่โดยไม่มีการนิยามว่าฉันชื่ออะไรฉันก้าวหน้ามาถึงไหนแล้วแต่แม้ยังไม่ถึงจุดนั้นอย่างน้อย การเจริญสติที่ถูกทางต้องพาคุณมาถึงจุดที่รู้ทันทีว่าความคิดความรู้สึกเป็นสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปไม่ควรให้ค่าไม่มีราคามีต่างจากเมฆหมอกที่ก่อรูปแล้วเลือนลงแม้กลุ่มความคิดอาจจะยังเกิดดับเท่าเดิมแต่คุณจะรู้สึกว่าคิดน้อยลงหัวโล่งอกว่างใจเบาเพราะลงยึดความคิดมาเป็นของตนน้อยมาก เห็นเป็นปรากฏการณ์ของคลื่นไฟฟ้าในสมองไม่เห็นเป็นการปรากฏของตัวคุณไม่ถูกกระตุ้นให้จดจำาใครบางคนหรือนึกถึงอะไรบางสิ่งพุดขึ้นก็เท่านั้นดับหายก็เท่านั้นมีหรือไม่มีไม่ทำให้จิตเป็นทุกข์น้อยลงหรือมากขึ้นได้หลักไมยของการเจริญสติที่แสดงว่าคุณมาได้ไกลแล้วคือการเลิกคิดมาก แค้นมากสังเกตง่ายๆตอนอยู่ว่างถ้าไม่เอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาคิดให้เป็นเรื่องอย่างเคยบอกตัวเองเลยว่ามาเกินเครื่องทางแล้วใจของผู้มีสมาธิเมื่อฟุง้งฟุ้งไม่จริงเมื่อบนบนไม่จริงเมืออ่อท้อท้อไม่จริงเมื่อหลง หลงไม่จริงถ้าฟุ้งจริงฟุ้งเป็นอาชีพจะฟุ้งไม่หยุดและเต็มใจฟุง้งกับทั้งเต็มใจสร้างเหตุแห่งความฟุง้งเช่นดูละครผัวเมียจบโทรคุยเรื่องผัวเมียต่อเป็นชั่วโมงชั่วโมงวิตกกังวลเรื่องไม่มีงานไม่มีเงินก็นั่งวิตกอย่างเดียวไม่สนใจวางแผนหาเงินและอื่นๆแบบนี้ไม่มีทางเกิดสมาธิ เราขาดเหตุให้เกิดสมาธิถ้าบ่นจริงบ่นเป็นอาชีพจะติดนิสัยหาเรื่องบ่นได้ไม่เลิกถ้าท้อจริงท้อเป็นอาชีพแค่ต้องตื่นนอนเช้ากว่าเดิมหน่อยก็หดหูสงสารตัวเองถ้าหลงจริงหลงเป็นอาชีพอยู่ดีๆก็สําคัญตัวผิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือมีจิตหมุนมัวไม่เลิกมีสร้างเหตุให้เกิดความสดใสบ้าง ใจมีสมาธิคือใจที่มั่นคงได้ยังสบายอารมณ์ใจของผู้มีสมาธิเมื่อคิดคิดจริงเมื่อพูดพูดจริงเมื่อทาทำจริงเมื่อรู้รู้จริงใจของผู้มีสมาธิเมื่อฟุง้งฟุ้งไม่จริงเมื่อบนบนไม่จริงเมื่อทอ้อท้อไม่จริงเมื่อหลงหลงไม่จริง